Book 2ห9สิเก้าต้องการอยากมิตรปฏิบูฮจิท ด, ดิฉันต้องการเตียงมีปฏิบเนโล ж ักดิฉันอยากนอน ยากฉัที่นี่มีเตียงไหมทุตยุสโลักดิฉันต้องการโคมไฟมียปับณญาัง pa ดิฉันอยากอ่านหนังสือยากฉุจที่นี่มีโคมไฟไหมตุตยุสลังพ์ ดิฉันต้องการโทรศัพท์มันยืบปฏิบในโทรศัพทดิฉันอยากโทรศัพท์อยากชูปฏิทินอวัตช์ที่นี่มีโทรศัพท์ไหมตุ๊ดยูสโทรศัพทดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูปมันยืบปฏิบในฟุตอปาราต ดิฉันอยากถ่ายรูปอฟตฟวที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหมทุตยูฟตรัดดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์มันยึปฏิบในคอมพิวตอร์ดิฉันอยากส่งอีเมลอยชุดิเล็ทรอนลิส ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหมตุดยูสคอมพิวเตอร์ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่นมเนี้ยปฏรบเนยรุชก้าดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อยที่นี่มีกระดาษและปากกาไหมตุดยูสอาร์คูช์ปาเปียร์ยิุชก